ขอโมทนาก้าเราในช่วงนี้นะได้มนสิการได้เจริญกุศลกัน ทำยังไงให้บุญเกิดได้มากอู้เนี่ยบุญให้เกิดได้มากอันนี้โรงงานตั้งเลยตอนนี้ตั้งเลยได้ข่าวไปเปิดมาเลยเด้ได้ได้ประกาศแล้วเขาโรงงานของบุญที่ฉันเปิดวันนี้ทําการผลิตบุญวันแรกได้พูดอย่างนี้ไหมวันเปิดงานแม่จะได้นะอ๋อก็นั่นแหละเป็นเงาโรงงานผลิตบุญ เปิดไม่ได้ไม่ได้อยู่ตรงนั้นได้กระซิบบอกใช่ไต้องบอกว่าวันนี้ใช่จะเปิดโรงงานผลิตเม็ดบุญของกุศลใช่มแบบให้หาประมาณมิได้อะจะเริ่มผลิตบุญแล้วเชิญท่านทั้งหลายใช่ร่วมเป็นสมาชิกผลิตเม็ดบุญงองใช่ไหม ของโรงงานผลิตบุญนะนะ้ทนะนะที่ตรงนี้ทีนี้ลองเอามาเป็นอารมณ์แล้วก็คล่ายควรเนยะแล้วให้ให้กุศลแลวเจตนาเกิดขึ้นให้มากอีกเยเนี่ยตอนนี้ <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ก็เราถวายเด่สง <c oughs> ใช่ไหมสงเนี่ยไม่ใช่บุคคลนะใช่มสงเนี่ยไม่มีควาว่าทุตีนนะ ไม่มีสงทุศีลนะไม่มีต้องคิดดูทีเนี่ยอปมาโนพุโทโธอปมาโนธรมรมโออปมาโนสังโฆเนี่ยนี่ยเรากระทบพระรัตนตรัยอย่างเงี้ยปริมาณของเม็ดบุญถึงบอกว่าหาประมาณไม่ได้นี่เป็นอย่างนี้นี่โรงงานผลิตแล้วผลิตแล้วเนี่ยถ้าผลิตอย่างนี้จริงๆเนี่ยไม่ เราถวายเป็นพุทธบูชาใช่ไหมเพราะเรารักพระพุทธเจ้าไงพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะหลั่งไหลใช่ไหมออกสู่กระแสใจของพุทธบริษัทเข้าอีกใช่ไหมและในขณะเดียวกันลองคิดดูที่ลงคิดไปทีไรเนี่ยมเมล็ดของกุศลเจตนาไหลอย่างมากเลยเนี่ยเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยเมื่อไรเราจะทําโรงงานอย่างนี้ได้อันนี้อันนี้มันก็แค่วัตถุไงสรุปออกมาก็คือ รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็ธรรมารมไง น, นี่ไงใช่ไหมรูปารมศรัทธารมคันธารม์ลสาวรมโหตภาร ม, ภภารมแล้วก็นอกนั้นก็เป็นธรรมารมแต่เราอะไรเป็นประธานถาวายเป็นพุทธบูชาแก่พระรัต น, านาตรัยอะ่ะเอาลูกหรือเอาเสียงเอากลิ่นเอารสใช่ไหมอภภพอโหตภะหรือธรรมารมปารดได้หมดเลย แต่เอาอะไรเป็นประธานนอกนั้นก็เป็นบริวารขยายอย่างเดี๋ยนี้นี่เชียนชัดเลยทีนี้อาศัยวัตถุนี่แหละเอาเป็นที่ตั้งเป็นโรงงานผลิตผลิตอะไรผลิตมหากุลุลเนี่ยมหากุศลเนี่ยจะเอาดวงไหนก็มนสิการ มนัสิการให้เกิดแล้วให้ต่อเนื่องให้ปริมาณของบุญเนี่ยทานเจตนาเนี่ยนะให้ให้หลั่งไหลให้แน่นให้เป็นอย่างนี้ยอมว่าจะเข้าออกเข้าออกพระบุญไม่ออกมาเนี่ยมันลำบากต้องให้ออกเข้าใจไมเราเห็นตรงนั้นด้วยเนี่ยอันนี้ต้องชัดคนบางคนเนี่ยเขาไปทำแล้วเนี่ยมโนภาพเนี่ยทิ้นปรากฏ อันปรากฏเนี่ยนะก็น้อมระลึกน้อมระลึกปริมาณเนี่ยปุพพะเจตนามุนจ่าเจตนาและอ ป, ปราเจตนาเนี่ยที่มันไหลอะบางคนกว่าจะเสร็จเนี่ยลองคิดดูที่ด้วยเลี้ยวแรงด้วยลําแข้งนะด้วยอาบเงือต่างน้ํำนะได้มาโดยทําเป็นของชอบธทำเนี่ยนะไอ้ตรงเนี้ยปุพพะเจตนามุนจ่าเจตนาและอ ป, ปราชเจตนาเหล่าเนี้ยคนเขาทําอย่างเงี้ยมันถึกปื้มบุญมันเกิดตรงท่านที่ปลื้ม ที่เป็นโสมนัสมันเป็นปีติปราโมทย์ปัจสถานิความสุขใช่ไหมมันเกิดขึ้นอย่างเงี้ยเอามานลึกเลยลึกไปมันเป็นจาระคาอนุสติมันจะไปแล้วนะแต่เนี้ยเป็นจอนุสติไปแล้วนะเนี่ยเขาเจริญกันแบบนี้ที่เขาเจริญกุศลเนี่ยเขาเจริญแบบนี้เอเขาเขาเจริญแบบนี้ถ้าไม่เจริญอย่างนี้มันไม่สดชื่นหรอกไม่สดชื่นหรอก บุญนะั้มันต้องได้จากการสดชื่นมันจะได้จากการปลื้มใจมันจะได้จากความสุขใช่ไหมโสมนัสสมาธิมันจะตั้งมัน่นตรงนี้นี่แหละอันนี้คือเราจะทํายังไงจากสีเสียงจินรสสัมผัสแล้วแต่ทำอารมณ์เนี่ยใช่ไหมอะไรมันก็คือสีเสียงจินรสสัมผัสและทำมารมณ์ทั้งนั้นแหละแต่ความให้ความสําคัญของเมล็ดผิดเมล็ดผลิตเมล็ดบุญเนะี่ยที่เกิดเร่งต่อตื้อต่ อ, ตอเนื่อง จนชื่นใจอ่ะให้สังเกตดูที่ว่านางวิสาขาก็ดีมาอุบาสกต่างๆอ่นาถาพินิจกาเป็นต้นเหล่านี้ท่านจะคอยเช็คตรวจตลอดเลยตรวจตลอดว่าเอ้ยบุญบุญของท่านช่องไหนที่มันไหลตลอดเนี่ยพอเห็นมันตื่นเต้นไงพอเข้าอะไรเข้าในสายที่เข้ามาสู่ในกระแสใจของท่านเนี่ยท่านก็จะเดินสายนั้นแหละเข้าความสุขได้ในสายนั้นเป็นอย่างนี้บุญเกิดแบบนี้แหละ ตรงนี้ก็ต้องเดินให้เป็นต้องไข้ครัวรให้เป็นถ้าไม่เกิดจะเป็นผลิตเนีเพราะว่าจริงๆแล้วขนาดจิตหนึ่งมันก็หาประมาณไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมนี่เราต่อเนื่องได้ตลอดต่อเนื่องได้ตลอดเนี่ยมเมล็ดของบุญบุญเจตนานีนเกิดขึ้นอย่างนี้มันเราได้เราได้ถวายเป็นพุทธบูชาเป็นชื่นใจตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวนี้เหมือนกันเดี๋ยวนี้เอามาเริ่มเริ่ม เริ่มสละเรื่องจีบุงกีวรมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้ น, ข น, ขนเข็นจีวรไม่ได้ขนลกุกเงเนี้ยอันเนี้ยเข็นไม่ได้เลยอย่างเนี้ยมันตื่นเต้นนะ่ะอย่างนี้เป็นต้นพอสละไปสละมาแล้วมันประทับ่ะเขาย้ยว่าเนี่ยเพราสละบ่อยใช่ไหมแล้วก็น้อมแล้วก็คิดตลอดทั้งสีใช่ไหมยกตัวอย่างเช่นเข็นจีวรเนี่ยใช่ไหมถวายสีเป็นพุทธบูชาเป็นธงชัยของพุทธเจ้า ใช่ไหมเอาสีเป็นประธานก็ได้เอาเสียงเป็นประธานบางค่าวก็กลิ่นบางค่าวก็รสพระท่านนุ่งโห่มอย่างต่างใช่ไหมก็คือสงเราถวายน้อมสงเนี่ยนุ่งหมไปแสวงหาอาหารก็ได้รสอาหารมาใช่ไหมทำมารมก็โอชาไงโอชาที่เกิดจากวิตามินทั้งหลายที่พระท่านได้จากการแสวงหาอาหารนั่นแหละหล่อเลี้ยงกระแสชีวิตของท่านเนอู้ถวายทำมารมเป็นประธานแล้วก็น้อมเนี่ยหมดใช่ไหม จากอามิสบูชาที่แหละน้องก็หาสู่ปฏิบัติบูบชาใช่ไหมศีล ส, สมาธิปัญญาศรัทธาต่างๆเหล่านี้ก็ไหลเห็นก็เริ่มตื่นเต้นแล้วอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เป็นกันนึกถึงอาคารนึกถึงอะไรต่างๆมันก็ตื่นเต้นอันนี้แปลว่าอะไรแปลว่าผลกําไรมันเกิดนี่เขาเรียกเช็คแล้วตรวจสอบได้เช็คแล้วตรวจสอบได้ที่กระแสใจด้วยตัวเองไงถ้ากระแสที่บุญนี้มันเกิดใช่ไหม มันต้องมันต้องสัมผัสได้บ้างเล็กๆน้อยๆถ้าสัมผัสไม่ได้เลยเนี่ยมันก็แห้งดิบบุญใช่ไหมบุญมันก็แห้งดิบนี่เป็นอย่างนี้งั้นตรงนี้ถึงบอกว่าตัวบุญจริงๆท่านขัดขับเน้นเจดนาขับกุศลขับเน้นตัวกุศลเป้าหมายจริงๆอยู่ที่กุศลทีนี้ผลก็คือมันก็ไปได้รูปเสียงจิตรดสัมผัสและทำอารมณ์ ใช่ผลปรากฏกับภาวะวิภาวะปฏิปัจจุปฐานังมีความสมบูรณ์แห่งภพชาติและความสิ้นแห่งภพชาติเป็นผลปรากฏให้สังเกตดูนะบอกว่าจิตของเขาน้มไปในทางที่ต่ำถ้าเราปรารถนาอย่างนั้นแปลว่าไเจริญให้ยิ่งขึ้นไปไม่ได้ย่อมเป็นไปเพื่อเกิดในที่นั้นข้อนั้นแล้วเรากล่าวไว้สำหรับผู้มีศีลไม่ใช่สำหรับผู้ทุศีล ท่านผู้มีอายุทั้งหลายมนโนปฏิธานของท่านภูมิมีศีลย่อมสำเร็จได้เพราะเป็นผู้บริสุทธิ์กายสะอาดวาจาสะอาดแล้วก็ใจสะอาดนั่นเองแล้วการปรารถนามบางคนก็ให้ข้าวน้ำผ้าดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไร้ที่นอนที่พักที่พักกันเนี่ยอยู่เนี่ยแล้วก็ที่เครื่องให้แสงสว่างแกศสำนภาภามให้สิ่งใดหวังสิ่งนั้นอันนี้เขาก็นุ่นหวังจาตุมหาราชิกา หมจิตก็นอ้นอจิตไอฐานจิตเจริญจิตไปในอย่างนั้นก็เป็นไปในทางสั่ำแต่พระศาสดาบอกว่าเป็นได้เพราะมีศีลไม่ใช่สำหรับผู้ทุศีลมโนปฏิทานของบุคคลผู้ผู้ผู้มีศีลก็ย่อมหมดจดจบบริสุทธิ์อย่างนี้เป็นต้ น, น <ะ S 1> จารตมหาลัคกาตาวติงสายามาดุสิตานิมานรดีปานิมมิสวัสวดีเป็นไปอย่างนี้จนถึงพรมจนถึงพรม อย่างยกตัวอย่างเช่นว่าเขาได้สดับมาว่านะเขาได้สดับมาบอกว่าบุคคลบางคนเนี่ยให้ข้าวให้น้ําให้ยานดอกไม้ของหอมเครื่องรูปร้ายเขาหวังให้สิ่งใดก็หวังสิ่งนั้นตอบแทนเป็นต้นเหล่าเนี้ยนะทีนี้กรณีที่เขาพิจารณาเขาหวังเขาบอกพวกที่ชั้นพรหมกาญจิกามีอายุยืนมีพิวพรรณงานมีความสุขมาก เขาปรารถนาว่าโอ๋นอหลังจากตายแล้วพึงไปเกิดร่วมกับพวกพรหมพรหมกายิกาเป็นต้นเขาก็ตั้งจิตนั้นอธิษฐานจิตนั้นเจริญจิตนั้นอยู่จิตของเขาก็น้อมไปในทางที่ต่ำเห็นไหมไม่ไม่จะทานเลยนะเนี่ยเจริญให้ยิ่งขึ้นไปไม่ได้ย่อมเปลี่ยนไปเเกิดในที่นั้นพระศ า, าสดาก็บอกว่าข้อนั้นแลเรากล่าวไว้สําหรับผู้มีศีลไม่ใช่สําหรับผู้ ทูศีลท่านผู้มีอายุทั้งหลายมโนปณิธานของท่านผู้มีศีลย่อมสําเร็จได้เพราะความเป็นผู้บริสุทธิ์อันนี้หมายถึงอะไรเข้าถึงทานเขาเข้าถึงเพราะทานเป็นปัจจัยเนี่นะทานเป็นปัจจัยทานเป็นปัจจัยหนึ่งทำให้ได้เป็นมนุษย์ทานเป็นปัจจัยหนึ่งทำให้ได้เป็นเทวดาและเป็นพรหมใช่ไหมแต่ทานนั้นน่ะ ที่ฐานนั้นจับให้ได้เป็นมนุษย์เป็นเทวดาและเป็นพรหมนั้นเน่ยพระศ า, าสดากล่าวไว้ว่าสําหรับผู้มีศีลไม่ใช่สําหรับผู้ทุศีลนี่ชัดเจนตรงเนี้ยนะท่านที่บอกว่าฐานเนี่ยเป็นการฝึกไงตรงเนี้ยส่วนคําว่าให้เจริญให้เจริญก็คือกรณีที่บอกว่า อบรมเนี่ยนะปราถนาที่ใดกระทำกุศลย่อมเป็นไปพร้อมเพื่อประโยชน์แก่การเกิดหนะ้าที่นั้นๆส่วนอีกข้อหนึ่งสัตว์ไม่อาจจะเกิดในพรหมโลกได้ด้วยกุศลสักเิ์แต่ว่าทานเท่านั้นนะในที่นี้ท่านขับเน้นเกี่ยวในเรื่องของเจริญพรหมวิหาระธรรมแล้วย่อมเกิดในพรหมโลกแต่ก็ต้องมีทานไหมมีทานมีศีล ถ้าศีลไม่มีแล้วเจริญพรหมวิหารได้ไหมไม่ได้เนี่ยตรงเนี้ยนะก็ทานย่อมเป็นเครื่องประดับเป็นบริวารท่านใช้คำว่าทานังปนะสมาธิวิปัสนาจิตตัสะอังการโอปริวารโอโหติแปลว่าอะไรแปลบอกว่าผู้มีจิตที่อ่อนโยนเพราะอะไรเพราะทานมีจิตอ่อนโยนเน่ยเพราะทานมาจากคำตรงนี้ท่านบอกว่า อันผู้ใดได้ไ ด, ได้ได้วัตถุใช่ไหมทานย่อมทําจิตให้อ่อนได้ทานเนี่ยทําจิตให้อ่อนได้ย่อยมบริวารมีวัตถุชิ้นเอาวัตถุชิ้นนั้นไปมอบผู้ใดได้วัตถุแม้ผู้นั้นก็ย่อมมีจิตอ่อนโยนว่าเราได้แล้วจริงไหมโอ้เราได้ อ่อนโยนมอพิจารณาเนะเมื่อเราได้ที่จริงก็คือว่าอย่ า, าว่าตอนตอนตอนอยู่ร่วมกับภรรยาครั้งแรกเนี่ยคิดว่าเป็นทานหรือวัตถุทานหรือวัตถุ ก, กรรมแต่นั้น <c oughs> อันนั้นจะว่าจิตอ่อนโยนก็ไม่ได้ต้องของให้ดีกว่ามีคนให้ของปุ๊บเนี่ยเราได้ปุ๊บเนี่ยจิตเขาอ่อนโยนว่าเราได้แล้วใช่ไหม เราได้เราได้แล้วจิตอ่อนโยนอันผู้ใดได้ให้แล้วแม้ผู้นั้นก็ย่อมมีจิตอ่อนโยนว่าเราได้ให้แล้วทานย่อมกระทําจิตของผู้ได้รับและผู้ให้ให้อ่อนได้ด้วยประการอย่างนี้เพ่อเหตุนั่นแหละพระบรมศาสดา จ, จึงตรัสว่าการฝึกจิตที่ยังไม่เคยฝึกชื่วทานฉะนั้นการฝึกจิตที่ยังไม่เคยฝึกในชื่วทาน ก็หมายความว่าเจตนาทานเนี่ยคือจิตที่คิดจะให้เดี๋ยเป็นการฝึกจิตคนที่ไม่เคยคิดให้เลยเนี่ยคือเรียกม่นยังไม่ได้ฝึกจิตสรุปแล้วก็คือเรื่องทานเนี่ยต้องฝึกมีอยู่สูตรหนึ่งนะก็คือเป็นฝึกการศึกษาก็อันเดียวกับฝึกหรือศึกษาเนี่ยทานย่อมทําจิตของบุคคลแม้ทั้งสองนั้นให้อ่อนโยนด้วยเหตุนั้นพระศาสดาจึงเรียกว่าการฝึกจิตที่ยังไม่เคยฝึกชื่อว่าทานนะ พระศาสดาก็ตรัสว่าอทันตะธรรมนังทานนังอาทานนังทันตะทูสกังเป็นต้นเ น, นี้่การฝึกจิตที่ยังไม่เคยฝึกชื่อท า, านการไม่ให้เป็นเหตุประทุสลายจิตที่ฝึกแล้วใช่ไหมการไม่ให้เนี่ยการไม่ให้เนี่ยเป็นเหตุประทุสลายจิตที่ฝึกแล้วสัตว์ทั้งหลายย่อมฟูขึ้นแล้วปุ๊บลงเพราะเพราะอะไร พราทานและปิยาวาจาที่อ่อนหวานตรงนี้ก็คือถ้าเรามองอย่างนี้นะเราจะเห็นว่าบุคคลย่อมให้ทานเพื่อเป็นเครื่องประดับประดับในที่นั้นก็คือเป็นบริวารเป็นบริวารของถ้าหากไม่ฝึกจิตให้อ่อนโยนด้วยการสละด้วยการให้ให้สังเกตนะ การให้เนี่ยการสละเนี่ยนะเจตนาคือจิตที่คิดจะให้จิตที่คิดจะสละคิตจิตที่คิดจะน้อมเพื่อบูชาพระรัตนตรยัยบ่อยๆจะบูชาด้วยข้าวด้วยน้ําด้วยของหอมด้วยประทีบด้วยคือเป็นต้นเหล่านี้เลยการที่คิดตรึกให้ควร บ, บ่อยๆให้ปริมาณเม็ดของกุศลเจตนาเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องหรือ บ, บ่อยๆหรือมากๆแต่ละวันแต่ละวันนั่นอะชื่อว่าฝึกฝึกจิตอยู่นะเนี่ย อันนี้จะเป็นบริวารของศีลสมถาวิปัสนาสรุปท่านใช้คาว่าเป็นบริวารของสมถะและวิปัสนาเป็นบริขารของสมถะและวิปัสนาสมถาวิปัสนาเกิดขึ้นได้ด้วยทานเกิดขึ้นด้วยทานใช่ไหมจารคานุสติจะบริบูรณ์ได้ด้วยด้วยทานเบื้องต้นนี่แหละถ้าไม่มีทานเลยจะไปเจริญจารคานุสติได้ไหม แปลว่าเอ๊ะถ้าเราไม่เคยให้เลยเนี่ยจะไปเจริญจารกานุสติได้ไหมเราก็เอาโมทนาเอาเลยบางคนก็คิดเอาแค่โมทนาได้ไหมบางคนเอ๊ะถ้าฉลาดชิดงั้นเราไม่ต้องให้ก็ได้แอบโมทนาเอาโมทน า, าทนฮะเพราะจริงจริงโมทนาก็เป็นใช่ไหมไม่ใช่ไม่เป็นอ่านุโมทนาส่วนบุญจัดเข้าอยู่ในทานเหมือนกัน แต่ว่าแต่ว่าไม่ใช่ว่ามีแล้วไม่ไม่ให้ น, ะนี่นะก็ก็คืออย่างกรณีที่ไปร่วมงานนี่นะไปร่วมงา น, นางอ๋อสามารถเอามาเจริญได้เจริญจจกคาได้หมดเลยเพราะว่าบูชาทั้งหลายเนี่ยามาเจริญได้นะ กรณีที่น้อมสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็คือว่าเมล็ดบุญที่เกิดขึ้นฉะั้นคนที่คนที่คนที่มีทรัพย์มีสิ่งของต่างๆเหล่านี้ยเขาวัดกันที่เมล็ดบุญที่จะเกิดขึ้นอย่างนี้แต่นี้เราก็จะมองเห็นนะโอ้แต่เราจะทํายังไงให้เกิดปลาโมดปีติปัสสติความสุขสมาธิได้ใช่ไหมปริมาณตรงนี้เราจะคิดยังไงอันนี้อยู่ที่ความฉลาดและความที่ตั้งใจให้เกิด คิดยากไหมถ้าจะคิดให้เกิดเกิดจิตที่เป็นสมนะจริงๆเนี่ยคิดยากไหมายากไหมยากยา ก, ยากเลยเลยโอ้โหอันเนี้ย <c oughs> คือคือตรงนี้ต้องต้องเอาไปคิดเป็นจริงๆคิดยากไหมอ๋อ ทุกเรื่องใช่ใช่ใชก็ก็เป็นอย่างนี้ว่าบางท่านเนี่ยมันก็ไม่ต่างอะไรเราเห็นว่าเรามีวัตถุอันเป็นที่ตั้งยหางการที่จะผลิตบุญเนี่ยมันมีหลายชิ้นใช่ไหมหลายอย่างบางท่านก็ถนัดถนัดที่รูปบางท่านก็ที่เสียงที่กลิ่นที่รสที่สัมผัสหรือที่ทำอารมณ์เนี่ยมันจะต่างกันออกไปแล้วก็ยังมาแยกเป็นข้าวเป็นน้าเป็น เป็นสิ่งของต่างๆเหล่านี้เป็นที่นอนเป็นที่นั่งเป็นที่พักอะไรต่างๆเหล่านี้หรือเครื่องให้แสงสว่างทั้งหลายซึ่งมันก็มันก็สามารถที่จะแต่บางท่านเนี่ยถ้าเขาเดินจนชํานาญแล้วใช่ไหมถ้าคนที่เดินจนชํานาญแล้วสามารถให้บุญวิ่งได้จนจนชํานาญจนคล่องแล้วเนี่ยอันนี้มันอยู่ที่แต่ละบุคคลจริงๆนะอา้ดออดาดรดจะทำยังไงอย่งเงี้ย ทรู้มุมอย่างนี้แล้วจะให้บุญเกิดทางไหนสอนในหนังสือจะเอาเรื่องอื่นบ้างดิ น, น, นี้แม่เลยมองจากมุมคือคือตรงเนี้ยต้องต้องสามารถให้เกิดได้จริงๆเนะี่ยใช่ไหะเพราะไม่น้อยเลยนะที่เราคิดอย่างเนี้ย บางท่านเนี่ยให้ทุกวันตลอดให้ตลอดให้จนเป็นอัธยาศัยเลยตรงเนี้ยเี่ยบางท่านเนี่ยให้มาตลอดเลยจะมาฉะนั้นการให้การสละมาตลอดเลยเนี่ยและตรงนี้ก็ลองมาพิจารณาดูทีว่าว่าอะไรที่ที่ฉะนั้นตรงนี้ต้องไปฝึกแล้วไปฝึกแล้วท่านนึกบอกว่า ทานย่อนทำจิตของบุคคลเนี่ยนะการฝึกจิตที่ยังไม่เคยฝึกชื่อว่าทานการไม่ให้เป็นเหตุประทุสลายจิตที่ฝึกแล้วสัตว์ทั้งหลายปูขึ้นแล้วปุ๊บลงด้วยทานและปีย่าวาจาได้วาจาที่อ่อนหวานตรงนี้เป็นเป็นบริขารเป็นบริวารของสมถะและวิปัสสนาตรงเนี้ยนะตรงเนี้ย ในชั้นคําสอนตรงนี้ก็มาพิจารณาอย่างนี้นะว่าจะได้เห็นหลักตรงนี้ก็คือว่าท่านขับเน้นเกี่ยวในเรื่องของคําว่ามีความสมบูรณ์แห่งพบชาติและความสิ้นพบชาตินั้นเป็นผลปรากฏอันนี้เป็นอาการปรากฏเลยอันนี้คือทานก็อย่างนี้เลยผลของทานอันนี้พรนมุ่งหมายอะไรทานเนี้ยตั้งอัธยาสัยไว้เพื่อเป็นเป็นปัจจัยเกี่การควาทุกขนะ์เนียให้เป็นปัจจัยเก็บ เกี่ยวกับารพ้นทุกข์ทั้งบอกว่าในคําว่าปฏิเขปะธรรมะทำที่ถูกปราบหรือละโดยโดยทานในกุศลได้แก่โลภะเป้าหมายจริงๆก็คือว่าต้องการทําลายตัวเนี้ยโลภะเทอสา ร, รสังเนี่ยทําลายโลภะทําลายโลภะนั้นเพราะโลภะเนี่ยแม้สรุปเขากับตระกูลเดียวกันนะนะไอโลภะโทอสารนี่นะเนี่ยเนี่ยมัชชริยะอยู่ดีกับโทอสารเนี่ย ตระกูลเดียวกันนีโยงตระกูลเดียวกันก็หมายความว่าโลภะนี่ถูกลดทําลายลงเบ็ดเสร็จนั้นน่ะพอไม่ยึดติดอพอไม่ยึดติดในวัตถุชิ้นนั้นมันก็ละมัจฉะในวัตถุชิ้นนั้นมันไม่หวงก็งหมายมันย่างนี่โยงฉะนั้นเมื่อเมื่อเมื่อตัดโลภะได้มันถึงจะถอนมัจฉะได้ซึ่งบอกว่าตัณหาเกิดในวัตถุใดใช่ไหม ก็สละวัตถุนั้นทิ้งเป้าหมายอยู่ที่ตรงนี้ยคือทําลายเมืองตันหาให้หมดเสียถ้าตันหามันไปเกี่ยวข้องกับใครสละเลยยงวัตนาว่าเสียวไหมเรื่องการเปรย์กุศลเนี่ยทนะีนี้ถ้าตันหาไปเกิดกับลูกปุ๊บทําลายเลยทําลายเมืองนั้นทิ้งก็สละทันทีเลยใช่ไหมสละ ก็เอางี้พระเขาทำอย่างไรนะเอาพระนะพระได้อาหารด้วยตัญหาได้จีวรมาปุ๊บไปรับในขณนะนั้นยินดีปุ๊บด้วยตัญหาท่านก็บอกเลยบอกว่าท่านทำลายเมืองตัญหาทันทีเลยท่านบอกว่าจีวรผืนนี้ไม่คู่ควรกับกระผมเพราะผมรับมาด้วยตัญหา รับมาด้วยความติดใจผมขอถวายท่านทันทีเลยเ <ul> <Midwest. S 1> นี่ยเขาเรียกทําลายเสียทำลายความหวังมันเสียพอพอไอตัวตัณหาถูกทําลายปุ๊บตัวมัชชริยะก็ก็ก็หมดเลยโอไม่รู้จะไปห่วงอะไรมันหมดไปแล้วเนี่ยถูกทําลายแบบนี้ยอมฉะั้นถ้ายินดีในรูปใดให้ตัดรูปนั้นเสียตัดรูปนั้นเลย ก็คือละนั่นเองฮะนนก็ละความยินดีละความยินดีละฉันทะราคะคือความยินดีในในในรูปถ้าบุคคลก็คือรูปคือเสียงคือกลิ่นคือรสคือสัมผัสใช่ไห ม, ไหมอะไรมันประทับใจเราสังเกตทีสีใช่ไหมประทับใจหรือเสียงหรือกลิ่น หรือรดหรือลดนี่ก็ก็สรุปก็คือทรารมณมใช่ไมทำอารมณการเล่นการหัวการดีใจเราต้องฝึกทำลายตัวนี้บ่อยๆฝึกทำลายว่าเห็นไหมกรณีที่ว่า จิตที่ฝึกดูที่ว่ากรณีที่เขากําลังเล่นนะเนี่ยกาเล่นด้วยจิตอะายเขาเล่นด้วยโลภะเราทําไมไปยินดีโลภะล้วเขาเล่นด้วยโทสะทําไมไปยินดีโทสะเขาเล่นโมหะทําไมไปยินดีโมหะเขาใช่ไหมหรือว่าเขาเกิดความฉลาดปาดเปลือกขึ้นมาทำไมไปยินดีทํามาลมกล่าวคือความฉลาดนั้นมันไม่เที่ยงสิ่งเหล่านั้นน่ะ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 จะมีอะไรเนี่ยก็คือสีใช่ไหมพ่อก็คือสีคือเสียงคือกลิ่นคือรสคือผดสะพ้าคือธรรมารมแม่ก็คือสีเสียงกลิ่นรสผดสะพ้ภภาและธรรมารมเพราะเราให้ทานเพราะการยึดติดเพราะการสละติดนี่แหละผลของทานเลยต้องมานั่งเฝ้าทรัพย์อยู่เนี่ยวังนั้นนะนี่ไงเราให้ทานไม่สะอาดไม่หมดจอดวังนั้นเพราะเราให้การด้วยการยึดติดต่อไปเราจะให้แบบสละคาด ผลของทานแล้วเราน้อมถวายพุทธบูชาปรารถนาความสิ้นทุกเสียสร้างเหตุปัจจุบันให้ชัดเราจะได้ไม่เป็นปู่โสมเฝ้าซับ<ม>ดีไห ม, มคิดอย่างนี้ดีไหมเนี่ยมันก็ชัดเลยเงี่ยตั้งหลักให้ถูกตั้งหลักให้ถูกเพราะจริงๆที่เรายินดีทั้งหมดไม่มีอะไรนะไม่มีมันก็คือีเสียงกลิ่นรสสัมผัสและธรรมอารมมันคือสภาวะธรรมมันคือปรมัตตธรรมที่เราเรียนกันนี่แหละไม่ใช่สัตว์บุคคลนี่เราไปบัญญัติเป็นลูกซะนี่ เราไปบัญญัติเป็นลูกไม่ต่างอะไรกันกันเนี่ยยอมวรารวาตัตกัลูกชา ล, กลูกสายลูกสาวลูกชายก็คือเนี่ยสีเสียงกินรสที่ฝันและทํามาล้มแต่สัญญาเราไม่จําเราไม่จําว่าท่านผู้นี้เป็นลูกไงไปจําคนนั้นเป็นลูกเขาให้มันก็เลยยึดเพราะเราสร้างเหตุปัจจัยมาเพื่อจะยึดทรัพย์ยึดทซั์เขามันทซับใช่ไหมเพราะถ้าเรามองเป็นวัตถุทานที่บอกว่าไงเป็นวัตถุที่ควรให้ควรสละ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 ในฐานะเป็นแม่ในฐานะเป็นป้าในฐานะเป็นยายถ้าเป็นยายเนี่ยก็ทําจารี้ศีลเดินกุศลศีลเดินทําไมพอฝึกจากทานในกุศลใช่ไหมก็น้อมไปสู่ศีกกุศลที่เป็นเจตนาที่เป็นศีนใช่ไหมแล้วก็มีความว่ามีความรักความปรารถนาดีใช่ไหมแต่ว่าอะไรเขามาด้วยกรรมของเขาไหมล่ะมาด้วยกรรมของเขาที่มาเกี่ยวข้องกันในฐานะมาอยู่ในฐานะเป็นลูกเนี่ย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 อยายตนะก็เขามีตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อมีตาหูจมูกลิ้นกายใจก็มีขันห้านั่นเองใช่ไหมมีนามรูปก็มีขันห้าทีนี้พอมีขันห้าเกิดขึ้นมาแล้วเบ็ดเสร็จเนี่ยตอนเนี้แล้วก็เราก็มีตาหูจมูกลิ้นกายใจตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็ไป<อ>ก็แล้วก็ต้องไปเห็นเห็นรูปเห็นสีเห็นเสียงกลิ่นรสสัมผัสและทำอารมณ์มันก็มันไม่ใช่มีสีเสียงกลิ่นรสสัมผัสทำอารมณ์อันเดียวนี่มีทั้งหลายสีเสียงกลิ่นรสสัมผัสและทำอารมณ์ใช่ไหม แล้วก็มาแยกดูทีอ๋อนี่ก็เกิดจากกรรมนี่ก็เกิดจากกรรมนี่ก็เกิดจากกรรมใช่ไหมแล้วก็มาพิจารณาดูทีดูวิบากที่วิบากที่ได้อ่ะ<ม>ก็คือจักขูวิญญาณโสตวิญญาณคานาวิญญาณชิวหา ว, ญญ า, า, าวิญญาณกายยวิญญาณใช่ไหมก็คือวิบากเหล่านี้แหละมันก็รับสีเสียงกินรสสัมผัสและทำอารมณ์แต่ชาวนะต่างหากที่ไปยึดมั้นตัวโยมตุ้มที่ไหนละตัวชวนะที่เกิดขึ้นอ่ะมันเกิดจากโยนิโสและอโยนิโสนั่นแหละ ถ้าอาโยนิโสเกิดขึ้นก็ไปยึดว่าลูกเราหลานเราแต่ถ้าโยนิโสมนาสิการเกิดขึ้นมันก็เห็นด้วยความเป็นสีเสียงกินรสสัมผัสและธรรมารมณไม่มีอะไรหรอกแต่ก็โดยสมมุติบัญญัติมันต้องทําหน้าที่แต่เราทําโดยฐานะเป็นจารีศีลเราเป็นเราเป็นอุบาสิกาของพระพุทธเจ้าแปลว่าอะไรเราเข้าไปนั่งใกล้พระรัตนตรัยแล้วที่เราทําอย่างนี้เพราะเราทําเป็น เราปฏิบัติแน่เรากําลังอบรมศีลอบรมกายอบรมศีลอยู่ใช่ไหมถ้าเป็นจารีต ก, ก็อบรมกายถ้าเป็นวารีตก็อบรมศีลใช่ไหมเราอบรมศีลบอกเอาพ่อแม่ปฏิบัติต่อลูกอย่างไรปฏิบัติต่อบุตรหลานอย่างไรลูกปฏิบัติต่อแม่งท่านเลี้ยงเรามาเลี้ยงท่านตอบทํากิจดารงวงตระกูลทําตนให้เหมาะสมใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นก็ทํากิจแล้วทํากิจอย่างนี้อยู่แต่ทําด้วยจารีตที่เป็นไปกับ กุสวนและเจตนาศีลมเป็นเจตนาศีลเราคิดยังไงอ่ะเราคิดก็คือวัตถุชิ้นนี้บุคคลคนนี้อะใช่ไเราไม่ฆ่าเพราะเราอะไรเราตาลอบอะไรเราให้ชีวิตเขาเราให้ชีวิตเขาเป็นมหาทานนนะที่เราคิดอย่างเงี้ย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 ให้อัตถะให้ธรรมะแก่เขาให้ความไม่โลภให้ความไม่โกรธให้ปัญญากุศลกรรมบทมันเดินไหมละ่ะนี่ไงมหาทานมันเกิดนี่กุศลศีลก็เป็นวารีตะจากทานนะเห็นไ้ยการฝึกจิตเพราะการให้วัตถุสิ่งของเนี่ยมันน้อมมาให้ไรนามาทำให้ไประดับศีลแล้วแต่เนี้ยมันพัฒนาไหมแต่เนี้ยนนะกลับไปแล้วก็อุ้เราเป็นสาวิกะเราเป็นอุบาสบาิกาของพระูมพภทธเจ้า เรานั่งใกล้ชิดพระราชนตรายพระศาสดาก็สอนเราตลอดสิเพราะเราก็เป็นผู้ป่วยใช่ไหมเราก็ต้องเสียบสายน้ําเกลือไว้ mm hmm. ก็คือพระธรรมต้องไหลในใจตลอดเข้า mm hmm. ใจว่า mm hmm. เราก็ได้ปฏิบัติหน้าที่ถูก mm hmm. อย่าไปถอดสายน้ําเกลือทิ้งอย่างเงี้ยอันนี้เราแอบถอดสายน้ําเกลือทิ้งก็มาลูกเล้าลูกเลาก็กลัวอยู่นี่แหละเข้าใจไหมพระธรรมก็ไม่ไหลสู่ใจ mm hmm. พอจะคิดออกไหมอย่างเงี้ย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 ในทั้งภาวนานี่สติปัฏฐานนี่ ส, สติปัฏฐานอาใช่ใชปฏิบัติไหมแบบเนี้ยนี่เนี่ปฏิบัตแบบิบบเลยแลเนี่ยให้กุศลเกิดขนาดนี้แล้วไม่ปฏิบัติได้ยังไงอยากสตรปฏิบัติ นี่ถ้าหากว่าเราไม่วางไม่วางวิธีคิดอย่างเนี้ยมันก็ตั้งหลักไม่ถูกใช่ไหมแล้วแล้วแล้วเมื่อไหร่กุศลมันจะเกิดแล้วปริมาณเม็ดบุญที่เกิดจากทานนะกุศลศีลกุศลเหล่านี้ไม่เกิดไม่เกิดเลยแล้วสมถาวิปัสนาจะไปตั้งตรงไหนจะมีที่ตั้งไหมเนี่ย ให้ไประดมกุศลให้เกิดได้โดยไม่ต้องอาศัยปัจจัยบ้างไม่ได้แล้วมันจะต้องคิดเป็นด้วยนะถ้าคิดไม่เป็นมันก็ปริมาณกุศลก็เกิดได้ไม่ยาวหรอกนิดเดียวก็หกขมเมนลม้มนิดเดียวก็หกขมเรนลม้มใช่ไหมมันก็ลม้มนี่เป็นอย่างนี้ถึงบอกว่าปริมาณของกุศลทำที่เลยรับอนุญาตจากทานกุศลให้เกิดขึ้นก็อะโลพะไนงะ ท่า น, นถึงบอกว่าต้องทำลายที่ตั้งแล้วก็เปลี่ยนย น, นิมิตเสียไอ้นิมิตความเป็นลูกอ่ะมันยึดติดแล้วก็เปลี่ยนนิมิตเสี้ยว่าเขามาจากกรรมมาเกี่ยวข้องในฐานะเป็นลูกยอมรับไม่ยอมไม่ยอมได้ยังไงแล้วก็นามสกุลเดียวกันอยู่เนี่ย <c oughs> ใช่ไหมก็เกี่ยวข้องเรียกแม่เรียกพ่อเรียกลูกกันอยู่เนี่ยนะก็คือเนี่ยยอมรับแล้วในฐานะนั้นแต่ไม่ต้องไปย้ำย้ายตัณหามันเกิดใช่ไหม บางคนก็เรียกทุกวันกลัวเหลือเกินก็ต้องบอกว่าเรียกอะไรกันนะกันหนาเรียกแล้วตัณหามันกินใช่ไหมเพราะตัณหามันคุ้นเคยอารมณ์แบบนี้ใช่ไหมอย่าลืมเนี่ยที่บอบอกวิธีแบบเนี้ยตัณหามันเรียนรู้เรียบร้อยแล้วเผลอๆไปเจริญตัณหาอีกครั้งทั้งที่พป็นธรรมาที่ควรล้าเนี่ยตัณหาเนี่ยมันเรียนรู้เลยเร็วมากเร็วมาก ปัญญารู้อะไรมันแอบสกิดรู้ันนั้นแหละนักเข้าก็มันรู้อย่างเงี้ยมันก็ไม่พัฒนาอีกกระแสจิตเนี่ย น, นี่มันเป็นอย่างเงี้ยมันดักซ้ายดักขวากันอย่างงี้นต้องระวังต้องเราไอตัณหานี่เป็นแบบนี้มันเรียนรู้เร็วมากเรื่องโลกิยาธรรมเนี่ยง่ายมากสำหรับมันมันคล่องมากก็เป็นอา ร, รมณะปะจัจจัยแกตัณหาหมดเลยใช่ไหมโลคิยาธรรมนั้นรักแค่คิดแค่เนี้ยมันแอบยิ้มหัวร่อแล้วบางทีไอ้เจ้าไปคืออย่างนี้อามาเนี่ย ไปนั่งสลดใจนั่งคุยกันกับพระคุยไล ค, คุยมาแล้วเขาแล้วดำหลี่ยงไงรู้ไหมไม่รู้ก็คือว่าไงเอ๊ะแล้วคือพยายามระดมสองปีสามปีมาเนี่ยมาระดมมาที่พยายามจะตั้งใจอะ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 มีพระองค์หนึ่งท่านนั่งร้องไห้ท่านสงสารญาติท่านถามว่าเขาจะเป็นยังไงเนี่ยชีวิตของเขาจะลําบากเนี่ยเขารู้ไหมเพราะเขาทําอะไรกันอยู่เนี่ยเขาก็อยากจะคิดให้ถูกใช่ไหยญาติทั้งหลายแรต่างแต่เขาก็คิดไม่ถูกเขาก็พยายามจะทำํำแต่มันก็ไปอีกเรื่องหนึ่งอยู่เลยเพราะกุศลมันต้องได้มันต้องเข้าใจจริงๆมันจะเดินเป็นใช่ไหมเขาก็เดินได้ไม่ยาวแล้วก็เดินไม่เป็น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 เอาเสียงเอากลิ่นเอารสเอาสัมผัสเอาธรรมารมน้อมถวายให้เขาพูดให้เขาพูดออกมาพูดไม่ได้อธิบายทีละคำทีละคำเอาพูดเอาไม่ได้แต่คุยเรื่องอื่นคล่องแต่คุยเรื่องนี้ไม่คล่องคุยไม่ออกโอ้โหเนี้ยอันนี้หนักเลยนนเนี้ยเราก็นึกแล้วโอ้จะทอยัอยงไงเพียรพยายามเขาจะไปเรื่องอื่นเรื่อย บอกโอ๊ยถ้าเรื่องอื่นนี่ยไปเลยแต่เรื่องนี้ไม่ได้เหมือนอึดอัดเขาขึ้นมาเลยเขาจะนึกยังไงเนี่ยเอาให้วาดน้ำหน่อยสิแล้วก็น้ําน้ําก็เลยเป็นพิธีน้ากันทุกวันเนี่ยน้ำอ่าสวะขาวายาวางนิพพานนภัจญโยโหตุสาทุสาทุคุยเรื่องอื่นก็นลืมหมดเลย แล้วเขาจะไปยังไงชีวิตเราจะไปยังไงใช่ไหมแล้วก็มามองดูทีเนี่ยเราก็พยายามจะระดมตั้งชมรมเผยแผ่เพื่อจะช่วยกันจะระบอกแต่แต่ก็ยังมีมุมเนี่ยอย่างนี้เขาถือว่ามีมุมมีมุมคิดยังมีมุมคิดมีมุมวิจัยแต่บางคนไม่มีมุมเลยนะเขาด้วยจะคิดยังไง แล้วความคิดเป็นโลภโตสะแวดล้อมเขาก็ไม่รู้เขาไม่รู้จริงๆก็ใช่เขาก็มาทำกันเนี่ยในขณะทาไปก็คือว่าเขาไม่รู้ว่าในขณะที่เขาทำบุญเนะมันตามแวดล้อมได้บาปถ้าเขาเดือดร้อนไงบุญเหล่านี้ให้ผลเขาเนะี่ยมีกำลังอ่อนแล้วก็รู้อยู่ว่ามันจะเป็นยังไง คือเรารู้จะเรารู้เหตุมันก็ต้องไหมเหตุที่ทําปุ๊บมันก็ทํามันก็เห็นผลในอนาคตว่าเขาจะต้องเดือดร้อนก็จะต้องลําบากเขาจะต้องทรมานก็คิดถึงพระพุทธเจ้าว่าพระบรมศาสดาเนี่ยเพียรพยายามมาเนี่ยเพื่อขนสัตว์หรือสัตว์ออกจากสังสารวัฏเนี่ยพอพระธรรมคาสอนของพระศาสดาก็ยังมีไหลอยู่ยังขนาดนี้อย่างเงี้ยท่านในการต่อไปนั้นอะไรจะเกิดขึ้นราะในปัจจุบันนี้คนที่เกี่ยวข้องเราในฐานะเป็นญาติมิตรทั้งหลายเหล่านี้ ต่างฝ่ายต่างเขาก็ไม่รู้เลยว่าจิตที่เป็นโสมนานะเป็นบุญจิตที่เป็นสมนานะที่เป็นโลภะนี่เขาก็ไม่รู้ใช่ไหมทําเบ็ดเสร็จบางทีก็ขัดแย้งกันในที่ประทํานั้นแหละอย่างเงี้ยเขาก็ไม่รู้หรอกว่าไอ้บุญที่มีอกุศลแวดล้อมนั้นเป็นยังไงเขาจะเบียดเบีย น, เ, ยนเขาจะให้โทษเขาอย่างไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ทราบกันไงเพราะสติของเขาก็เลื่อนลอยกันเยอะแยะเบ็ดเสร็จเลย บางทีกําลังอธิษฐานกันอยู่ดีๆเอ้าเสียงว่ากันเมื่อเขามาแล้วบางทีเนี่ยนะก็เป็นอย่างเงี้ยขนาดนั้นเลยเนี่ยนะมองเห็นไหมเนี่ยเนี่ยมันก็เดือดร้อนเงี้ยเราก็ไปอยู่ในในอย่างนั้นน่ะแวดวงอย่างนั้นน่ะเราก็อยู่ในแวดวงอย่างนั้นนั่นก็คือปัญหา <laughs> มันก็เลยมองเห็นว่าโอ้โหตอนเนี้ยแล้วจะแล้วก็วกเอ๊ะเราจะพูดยังไง เราจะพูดยังไงให้เขาเข้าใจใช่มก็นั่งมาคิดอาจจะอธิจะอธิบายยังไงจะนำเสนอยังไงเอาวิธีไหนคำไหนอย่างไรก็เอามาหามุมอย่างี้ก็มาม า, มาพิพ จ, จะะารณามันก็เกี่ยวข้องรอบๆ บ, บเราทั้งนั้นใช่ตรงนี้อ้ามีใครจะถามอะไรอีก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 ในส่วนจริงๆทานในกุศลต่างๆเหล่าเนี้ยที่จะเป็นจิตตะปริขาลังเป็นต้นเหล่าเนี้ยนะที่ในในคำสอนตรงนี้ที่ท่านกล่าวก็ไว้ในในชั้นข้ออัตถาที่ท่านขยายไว้อะที่เป็นปริขาละเนี่ยเป็นบริการแห่งจิตเป็นต้นเหล่าเนี้ยนะอันนี้ท่านขับเน้นเกี่ยวในเรื่องของคําว่าจิตตะรังกาละจิตตะปริขาละลังเนี่ยนะบุคคลให้ทานเพื่อเป็นเครื่องประดับ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 ท่านถึงเรียกว่าเป็นมหาทานมาทานในที่นั้นก็คือว่าที่ท่านกล่าวถึงบอกว่าอริยะสาวกเว้นแล้วจะปาณาติบาทย่อมให้อาภัยแก่สัตว์ทั้งหลายาหาประมาณไม่ได้ไอ้ตรงนั้นน่ะนี้แหละที่คิดค่อนข้างยากต้องใช้ความคิดปริมาณต้องตั้งยากนิดนึง <c oughs> ก็คือกรณีที่ว่าเอ๊ะเราให้อาภัยแก่สัตว์ได้ยังไง เ, เราไปให้ชีวิตเขาเนี่ย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 เนี่ยที่ท่านกล่าวไว้เนี่ยอริยสา ok, วกผู้งดเว้นจากปนานติบาตชื่อว่าให้ความไม่มีภัยความไม่มีเวรความไม่เบียดเบียนแก่สัตว์ทั้งหลายหาประมาณไม่ได้คั้นให้ความไม่มีภัยความไม่มีเวรความไม่เบียดเบียนแก่สัตว์ทั้งหลายหาประมาณไม่ได้อย่างนี้แล้วย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งความไม่มีภัยมีส่วนแห่งความไม่มีเวรมีความส่วนแห่งความไม่เบียดเบียนหาประมาณไม่ได้ภิกษุทั้งหลายนี้เป็นมหาทานข้อที่หนึ่งอันนี้เป็นมหาทานนะ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 ทรัพย์สมบัติของเขาก็จงเป็นของไครของเขาไม่ทรัพย์สมบัติของเขาจงเป็นของเราหนึง่งลบมาไปพอเห็นปุ๊บขึ้นมาก็เริ่ม อ, อพูดเลียบเคียงได้นะเป็นพระเนี่ยใช่ไหมเป็นพระเนี่ยถ้าเอาที่ถ้ามาไม่มีข้อนี้มาพูดเลียบเคียงเออเผื่อที่จะได้บ้างอะไรเงี้ยเออก็พูดเลียบเคียงไปเรื่อยๆพูดนะบริจาคนะทั้งหมดที่พูดเนี่ยไม่ใช่ต้องการ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 ทรัพย์ของเขาก็จงเป็นของเขาก็ขอให้เขานั้นน่ะใช่ให้เขามาด้วยกรรมมาด้วยการกระทําของเขามาด้วยบุญของเขาก็จงเป็นของเขาให้เขามีความสุขให้เขามีความผาสุขในทรัพย์สมบัติในบริวารในในญาติมิตรทั้งหลายของเขาเหล่านั้นเราจักไม่ไปแย่งไปลกักไปขโมยนะไปช่อโกงทรัพย์สมบัติของเขาเหล่านั้นมาเป็นของเราใช่ไหมจิตที่เราน้อมไปในลักษณะอย่างเนี้ยไม่ใช่หนึ่งขันห้า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 ถามว่าถ้าเรามองในลักษณะอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยตัวกุศลและศีลมันจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องไหมแล้วมันสามารถจะเป็นอา ร, อารมณ์อรรมณรปัจจัยได้ตลอดไหมเป็นได้ตลอดเนี่ยและในข้อของกาเมศมิชญาจารยลองคิดเดียวลองให้คิดทีจะออกมาเป็นช่องได้ไหมอ๋อันนี้บใบใหญ่ของเราเราคิดได้แค่นี้นะอันนี้มันสั้นไปนะเนี่ย ตั้หาไม่คิดเร็วมากกว่า น, นั้นเราไม่พรอปัญญาออกมามาทําคิดแค่เนี้เห็น mm. ไหมปัญญามันต้องสามารถออกมาวิจัยพิจารณาได้ว่าบุตรภรรยาของท่านผู้ใดใช่ไหม mm. ก็เกี่ยวข้องแล้วก็ควรเป็นของท่านบุ้คนเหล่านั้นเราจะไม่ทําให้เขานั้นเกิดการแตกแยกเราจะไม่ไปพลากของเขาเมาื่อไปช่วงชิงออกมาด้วยการกระทําใดๆเลย แล้วก็ยังน้อมเป็นเมตตาด้วยนะปรารถนาเขาเป็นอยู่ด้วยกันอย่างมีความผาสุกใช่ไหมมีความสงบมีความร่มเย็นนั้นนั้นฉะนั้นการน้อมจิตการอาทิตย์ฝึกไปในลักษณะนี้เอาเราน้อมในการที่จะให้คําอ่อนห่านให้คําสัตย์คําจริงได้ไหมน้อมได้ไหมตั้งเจตนาก่อนว่าเราจะให้คําสัตย์คําจริงใช่ไหมเราจะไม่พูดเท็จใช่ไหม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 ก็ก็ฝึกให้เกิดฝึกให้เกิดขึ้นมนานสิการให้เกิดขึ้นไข่ครวญให้เกิดขึ้นถ้าทําได้อย่างเนี้ยอันนี้ไปแล้วเขาไปไกลแล้วไประดับภูศุรศีนเป็นมหาฐานแล้วในจิตที่โอนอ่อนแล้วออกมีการจนอ่อนโยนฝึกได้จนขนาดเนี้ยคู่ควรต่อเป็นบริขารของสมถะและวิปัสสนาถ้าฝึกได้จนคล่องแคล่วนะ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 แล้วมันจะทำให้ตัวเองเดือดร้อนในอนาคตต้องกรุณาตนเองใช่ไมต้องต้องกล่าวต้องแสดงออกนั้นเพื่อเป็นพุทธบูชาเราเป็นอุบาสกอุบาสิกาใกล้ชิดพระศาสดาพระธรรมของพระศาสดาต้องไหลละลาดลดจิตใจตลอดนล้วอย่าไปประทุสร้ายตัวเองด้วยคำพูดโดยการกระทําแล้วเราก็ให้เขาสละสิ สะละคําพูดที่อ่อนหวานคําพูดที่เป็นคําสัตว์คําจริงคําพูดที่ให้ความสมัครสมานสามัคคีให้คําวาจาที่ไพเราะให้อัตถะให้ธรรมะจะไม่กล่าวเพื่อเจอ้อดูใจที่เป็นไปว่าโลภไหมที่กล่าวนั้นนะ่ะโกรธไหมให้ความเมตตากับเขาให้ความเห็นที่ถูกใช่ไหมว่ามันเป็นกรรมเป็นผลของกรรมการคิดการพูดแต่ละครั้งต่างๆเหล่านี้ย การน้อมใจเป็ น, ป น, ปนไปในรักเนี้ยกุศลศีลมันก็เดินอย่างเงี้ยแล้วมันจะคล่องมาแทนเลยนะแล้วมันจะไม่ ม, ไ ม, มันจะไม่พูดทำหรือคิดในด้วยจิตที่เป็นอกุศลแล้วย่างเงี้ยแต่ยิ่ก็จะเป็นอย่างเงี้ยก็ชื่นใจมันก็ชื่นใจก็ไม่ปทัทธุสลายตัวเองใช่ไหมก็ลองคิดดูที่ผ่านมาเนี้ยส่วนใหญ่เนี้ยนักศึกษาพระธรรมด้วยซ้งไปปทัทธสสลายเบียดเบียนตัวเอง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 เพราะเป็นการเบียดเบียนเป็นสร้างปัจจุบันในเหตุที่ผิดพลาดอนาคตจะผลจะเสียหายเพราะที่เราได้อัตภาพมาเนี่ยมันได้มาจากบุญไม่ได้มาจากจิตที่เป็นแบบนี้เลยแต่ปัจจุบันเราลืมเนื้อลืมตัว <c oughs> พราะได้ดิบได้ดีแล้วลืมตัวเนี่ยไม่ดีใช่ไหมคําว่าได้ดิบได้ดีลืมเนื้อลืมตัวเนี่ยเรามาจากกุศลนะยอมแก้วมาจากกุศลกรรมอันนี้เป็นผลของกุศลกรรม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 เอออย่าไปเชิญเข้ามาถ้าเขาจะขึ้นมาก็บอกเขาแม่สั่งไว้ว่าไม่ให้ต้อนรับคนแปลกหน้ า, นาใช่ไหมคนแปลกหน้าที่ไม่ดีเขาเราียกว่านี่ไงตัวนี้ก็เข้ามาแล้วแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้านหลังนี้รกรุงรังใช่ไหม ไม่สะอาดเขามาทำเลอะเทอะหมดแล้วก็ได้แต่จิตไม่สะอาดใช่ไหมพระวังก็เศร้าหมองใช่ไหมพระวังก็เศร้าหมองไปหมดแล้วตอนนี้นอนสะดุ้งหลับไม่สนิทเพราะอากุศลลจิตมันเกิดมากจะหลับก็หลับยากเป็นงั้นหมล่ะต่อไปก็ ต้องมนสิการใหม่แล้วเขาเรียกว่าใช่ไหมได้สมบัติของแม่ขายทิ้งเผาทิ้งเขาเรียกอย่างไงเนี่ยไม่รู้คุณของแม่โอ้ลำบากเลยอันนี้พบุตรคำสอนตรงนี้มามาในมงคลนะเราเรียนมงคลกันแล้วก็เรียกอากาตันยูใช่ไหม ไม่รู้คุณของบุญลองไปดูจีเป็นอย่างเงี้ยไม่รู้มีหรือเปล่ามงคลมีใช่ไหมมีอยู่ข้อหนึ่งกรตันอยู่ถ้าถ้าเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยเพราะเราไม่รู้คุณไงว่าจริงๆนยเราเรามาจากบุญใช่ไหมมาจากบุญไม่รู้คุณของบุญตรงนี้็มามพิจารณาอย่างเงี้ยจะได้รู้สึกโอ้แล้วยิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเราเนี่ยมาสมาเรามาเป็น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 เดีวก็มอบกายถวายชีวิตมอบกายถวายชีวิตใช่ไหมก็เป็น เ, เป็นเป็นสมบัติของพระเจ้าอพอเป็นสมบัติของพระเจ้าเอาอยู่แล้วเราให้บาปเกิดในสมบัติของพระเจ้าอยูแล้วอย่างเงี้ยก็โอไม่คิดอีไม่ควรเลยไม่ควรตรงเนี้นาไงไหมอ่อ่า